แนะนำบทมารยาทบทมารยาทเป็นบทมัคกีามีเก้าสิบปดโครงการมีจุดมุ่งหมายเน้นหนักเรื่องการให้เอกภาพการให้ความบริสุทธิ์เดาล้อตลอดจนเน้นหนักต่อการศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนสาระสําคัญของบทนี้กล่าวถึงเรื่องการศรัทธาล้อและความเป็นเอกภาพของปรงุงตลอดจนชี้แจงถึงวิถีทางของบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และวิถีทางของผู้ที่ลงผิดบทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีบางท่านเริ่มด้วยเรื่องของนบี้ักก a r i y a และนบียายายา้ yahya ซึ่งเอาล้อทรงประทานบุตรให้แก่ z a ก a ร i ยาและขณะที่ท่านเข้าสู่วัยชาราและจากปัญญาของท่านซึ่งเป็นมันแต่ล้อนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทรงได้ยินการวิงวอลขอของผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากทรงตอบรับการร้องเรียนของผู้โศกเศร้าเสียใจ ดานัลลอจึงทรงตอบรับการวิงวอนขอของท่านและทรงประทานบุตรที่ฉเฉลียวฉลาดให้แก่ท่านบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งนั่นก็คือเรื่องของนางมารยำผู้บริสุทธิ์และการคลอดบุตรของนางโดยปราศจากบิดาเคล็ดลับของพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งปฏิหารอันนี้ปรากฏขึ้นด้วยการให้กำเนิดอีสานจากมันดาโดยปราศจากบีดา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 ใช้เนื้อที่ถึงสองในสามของบทจุดมุ่งหมายหลังก็เพื่อนเน้นถึงความเป็นเอกภาพแห่งาศาสนาของอัลลอฮ์ทงนี้พระาศาสนทูตทั้งมวลได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความเป็นเอกภาพของอัลลอ์และกระจัดการตั้งภาขี่เคียงคู่กับปรุบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพบางส่วนของวันสิ้นโลก และความน่าสะเพรึงกลัวแห่งวันตอบแทนในสภาพธรรดาผู้ฝ่าฝืนดื้อดึงปฏิเสธสัทธาจะคุกเข่าเรียงรายรอบขุมนรกเพื่อจะถูกโยนใส่เป็นเชื้อเพลิงของนรกชื่อของบทคือบทมารยาถูกตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพื่อรำลึกถึงปาฏิหารนั่นคือการให้กำเนิดมนุษย์ด้วยปราศจากวิดา การเที่ยวล้อทรงให้ทารกแบเบาพูดได้และปรากฏการที่น่าประหลาดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของท่านนบีอีสาอัลัลฮิสสลามด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอย าา น, นี่คือการกล่าวถึงเมตตาธรรมแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่มีต่อ z ักริยาบ่าวของพระรงองค์ เมื่อเขาได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยการวิงวอนอย่างสงบเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกระดูกของฉันอ่อนแล้วและศีรษะก็มีงอกแล้ว และไม่เคยปรากฏเลยว่าการวิงวอนของฉันต่อพระองค์ท่านนั้นไรผลโอ้พระผู้มบาลของฉันและแท้จริงฉันกลัวลูกหลานของฉันภายหลังจากที่ฉันตายไป และพัญญาของฉันก็เป็นมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ฉันด้วยเถิดผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนฉันและสืบทายาทจากตระกูลยากรูปและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิดโอ้ ยาัรีย์อินนานบชกบลา่สุยัาลัมนั้ิบานของฉัน ا, ه, ي ي ى โอ้ซักรียาแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือยะยาเราไม่เคยตั้งชื่อผู้ใดมาก่อน เขาจักริยากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉันฉันจะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อพันยาของฉันเป็นมันและฉันก็ได้บรรลุสู่วัยแก่ชราแล้วเคาเล่าให้ฟังว่าย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 เขาจักกริยากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงโปรดให้มีสัญญาณแก่ฉันด้วยพรงตัดว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลาสามคือ ทั้งที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ุเจ้าแล้วเขาได้ออกจากเมื่อรอกมายังกลุ่มชนของเขาและเขาได้ทําสัญญาณแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจงกล่าวสรุดีทั้งในยามเช้า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 และความน่าสงสารจากเราและความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรงบและเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงยะโสเป็นผู้ฝ่าฝืนและความสันติจงมีแด่เขา วันที่เขาถูกคลอดและ ว, วันที่เขาตายและ ว, วันที่เขาถูกให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่และจงกล่าวถึงเรื่องของมารยามที่อยู่ในคำภีเมื่อนางได้ปลีกตัวออกจากหมู่ญาติของนางไปยังสถานที่หนึ่งทางตะวันออกของ ลแล้วนางได้ใชม้ม่านกันให้พ้นจากสายตาของพวกเขาแล้วเราได้ส่งวิญญาณของเรายิบรอินไปอย่างนางแล้วเขาได้จำแรงตนแก่นาน ให้เห็นเป็นชายอย่างสมบูรณ์ลและนางกล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีให้ผลจากท่านหากท่านเป็นผู้ยําเกรย์ ขเขายิบรีนกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้บานของเธอพเพื่อฉันจะให้ลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอ นางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้ทงๆที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่วเขายิบรออินกล่าวว่าคระนั้นก็เถิด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 ยังสถานที่ไกลแห่งเสียความเจ็บปวดใกล้พอดทําให้นางหลบไปที่โคนต้นอินทพลับนานได้กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสื้อก่อนหน้านี้ และฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสียก็จะดีดังนั้นเขาหมาลักได้เรียกนางทางเบื้องล่างของต้นอินทพัอลัมว่าอย่าได้โศกเศร้าเสียใจไปเลยแน่นอน พระผู้ใหญของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่างของเธอแล้วและจงขยับต้นอินทผลล์ให้มันเอ็นมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นผลอินทผลล์ที่สุกนาคินกุลีว่รบีว่กระดีไยนา ฉะนั้นเธอจงกินจงดื่มและจงทำจิตใจให้เบิกบานเธอหากเธอเห็นผู้ใดก็จงกล่าวว่า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 ถ้าจริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้วโอ้น้องหญิงของหานพ่อของเธอมิได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงชด นางชี้ไปทางเขาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไรเขาอีสากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคำเพีร์แก่ฉัน และทรงให้ฉันเป็นศาสน า, า ي ى. และพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่หน้าที่ใดและทรงสั่งเสียฉันทําละหมาดและจ่าย z a กาตตราบเท่าที่ฉันมีอยู่ และทรงให้ฉันทำดีต่อมารดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงยะโสผู้ต่ำชาและขอความสันติจงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตาย แล่ววันที่ฉขนันถูกใี้ฟื้ตขึ้น ม, มนั่นคือีวาบุตรของม่รยนั่นคืออีซาบุตรของมาร ย, ยั่นคือรงมนั่นคือาขายนั่คารขงมาาั่นอรขงายั่ขงมายาัคาองมาันคางสยตัคอมยาน่อบุายาน่ ไม่เป็นการถูกต้องสำหรับอัลลอ์ที่พระองค์จะทรงเอาผู้ใดเป็นพระบุตรพระองค์เป็นผู้ทรงมหาบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงกำเนิดกิจการใดๆแล้วพระองค์จะตรัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมา แท้ ه ه จริงอัลลอฮ์คือพระผู้อวยบานของฉันและพระผู้อวยบานของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อพระองค์เถิดนี่คือทางอันเที่ยงตรง